เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ฟังรายการทุกท่านเสียงสาธุการดังขึ้นก็เป็นสัญลักษณ์ของรายการธรรมะส่สันติซึ่งอาตมาภาพได้มาทำหน้าที่ให้ธรรมะแก่ท่านสาธุชนเป็นประจำสำหรับวันนี้ก็จะได้นำ ธรรมเทศนาของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยักมังคโลโอมาฝากท่านสาธุชนซึ่งเนื้อหาสาระของการแสดงธรรมในวันนี้ก็เป็นการสดับธรรมตามการและความกตัญยูกระตเวทีเป็นมงคลอันประเสริฐซึ่งหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยัมังคโลโอท่านได้แสดงเอาไว้ในโอกาสที่ญาติโยมสาธุชนเข้าไปศึกษาและปฏิบัติธรรม เรื่องราวก็น่าสนใจอาตมาพิจารณาเห็นจึงนำมาฝากท่านสาธุชนเพื่อที่จะได้สดับรับฟังธรรมะตามการซึ่งก็เป็นจัดเป็นบุญกุศลหรือว่าบุญกิยาวัตถุหนึ่งในบุญกิยาวัตถุ10ประการตามหลักพระพุทธศาสนานั่นเองจึงขอเชิญท่านสาธุชนทั้งหลายมาตั้งใจให้บริสุทธิ์และน้อมรับสดับ พระสัตธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาโดยพร้อมกันนบัจจนี้นะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสตสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะคาราวะจะ นิวาโตจะสันตุถีจะกตันยุตากาเลนะธรรมัทสวนังเอตัมมังคลมุตตมันตีนะบัตนี้อาตมภาพจักได้อ ธ, ธิบายขยายความในพระพุทธภาษิตอันสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่เทพบุตร ซึ่งได้รับบัญชาจากท้าวสักกะเทวราชให้เป็นผู้มาทูลถามพระพุทธองค์ว่าอะไรเป็นมงคลคือความสุขสวัสดีมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสูงที่สุดนะพระเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีในยามราตรีล่วงปฐมยามแล้วพระพุทธองค์จึงได้ทรงอนุเคราะห์ ตรัสหลักปฏิบัติตนให้ถึงซึ่งความสุขสวัสดีอันประเสริฐสูงที่สุดที่ชื่อว่ามงคลแก่เราทวยเทพพยายดาทั้งหลายแล้วในวันรุ่งขึ้นจึงได้ทรงแสดงมงคลทั้ง38ประการนั้นแก่พระอา น, นุ์เพื่อให้ได้รู้แล้วก็บอกกล่าวแก่พระภิกษุทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติ และนำไปเผยแพร่ธรรมปฏิบัตินี้สืบต่อไปตามพระบาลีที่ได้แสดงไว้ข้างต้นนี้มีคําแปลว่าความเคารพหนึ่งความถ่มตัวหนึ่งความสันโดษหนึ่งความกะตัญยูหนึ่งการฟังธรรมตามการหนึ่งนี้เป็นมงคลอันประเสริฐซึ่งวันนี้อาจมาพาพจักได้แสดงแต่เฉพาะมงคล ในข้อในหัวข้อการฟังธทมตามการและความกะตัญญูกะตะเวทีว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสูงที่สุดแต่พอสมควรแก่เวลาก่อนคำว่ามงคลในพระพุทธศาสนานั้นหมายถึงข้อประพฤติปฏิบัติเครื่องบำบัดบาปอากุศลหรือความชั่วอันเป็นธรรมปฏิบัติ เครื่องบำบัดทุกกับปฏิบัติที่เป็นบุญเป็นกุศลหรือคุณความดีอันเป็นเหตุนำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสำหรับตนหรือจะกล่าวโดยย่อก็ว่าเป็นความประพฤติปฏิบัติอันเป็นคุณเครื่องบำบัดทุกบำรงสุขแก่ตนเองนั่นเองการฟังรำตามการอย่างเช่นในวันธรรมสวรนระดังเช่นในวันนี้ ผู้ตั้งใจรับฟังด้วยดีย่อมได้อานิสงเป็นมงคลเป็นเครื่องบำบัดทุกบำรุงสุขสำหรับตนได้ด้วยว่าผู้ไม่เคยรู้ไม่เคยได้ยินได้ฟังจักได้รู้ได้ยินได้ฟังหรือเคยรู้ก่อนแล้วแต่ยังไม่เข้าใจเนื้อความลึกซึ้งก็จักได้เข้าใจลึกซึ้งและแจ่มแจ้งยิ่งขึ้น และแม้จะเข้าใจแจ่มแจ้งดีแล้วก็ยังเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจให้ล้ำลึกถึงคุณธรรมของข้อที่นำออกแสดงนั้นเป็นการกระตุ้นเตือนตนให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์โสติผลได้ดียิ่งขึ้นจิตใจก็ย่อมแช่มชื่นเบิกบานด้วยการได้สดับปรับฟังสุภาษิตอันเป็นสิริมงคล น, นี้เป็นต้น อย่างไรที่เรียกว่าการฟังธรรมด้วยดีก็โดยการตั้งใจฟังอย่างถูกวิธีแล้วก็ส่งใจไปตามกระแสะแห่งพระธรรมนั้นจะตั้งใจไว้ที่ไหนควรจะตั้งไว้ณนะศูนย์กลางกายนั่นแหละดีที่สุดเพราะว่าเมื่อรวมใจให้หยุดนิ่งสงบลงณนะที่ตรงศูนย์กลางกายนั้นได้ดีเพียงใดกิเลสเครื่องกั้นปัญญา มีความฟุ้งซ่านแห่งจิตในขณะฟังธรรมอยู่นี้เป็นต้นย่อมสิ้นไปเพียงนั้นจิตใจก็จะยิ่งใสสะอาดบริสุทธิ์และสามารถที่จะเข้าใจในอัดในธรรมอย่างลึกซึ้งชัดแจ้งยิ่งขึ้นการฟังธรรมตามการด้วยดีจึงย่อมเป็นมงคลอย่างประเสริฐสูงที่สุดประการหนึ่งโดยประการละนี้ส่วนว่ามงคลอีกข้อหนึ่ง คือความกตัญญูนั้นก็หมายถึงการดำลึกถึงบุญคุณของผู้ได้กระทําอุปการะคุณแก่ตนก่อนแล้วคิดตอบแทนพระคุณท่านตามกําลังสติปัญญาความสามารถและกําลังทรัพย์ในโอกาสอันควรซึ่งกินความหมายถึงความหมายของกะตะเวทีคือการตอบแทนพระคุณท่าน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วนั้นเข้าไว้ด้วยจึงนิยมกล่าวคุณธรรมข้อนี้เป็นสองคำควบกันว่าความกตัญญูกตวเวทีผู้ทรงคุณธรรมปฏิบัติธรรมนี้ย่อมจกมีแต่ความสุขสวัสดีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองไม่เสื่อมเลยก็เพราะเหตุว่าผู้ทรงคุณธรรมนี้ประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นมงคลข้อนี้ ไม่ว่าจะไปสู่ถิ่นแคว้นแดนไหนไปในสารทิศใดย่อมไม่มีใครรังเกียจที่จะคบค้าสมาคมด้วยจึงย่อมเป็นผู้ได้สหายได้ที่พึ่งอันประเสริฐในการทุกเมื่อและก็ในทุกที่ย่อมไม่มีความตกต่ำอับจนย่อมจักพบจักได้จักมีแต่ผู้อุปถัมภ์คำจุน ให้เจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะใครให้ความอุปการะแก่บุคคลเช่นนี้ย่อมไม่สูญเปล่าใครๆก็อยากเป็นมิตรเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยโดยเหตุนี้บัณฑิตจึงกล่าวว่าสาธุรูปานังกตัญญูกะตะเวทิตาความกตัญญูกะตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี มีใครบ้างที่ทำอุปการะแกเราก่อนทั้งที่อยู่ใกล้ๆและที่อยู่ไกลๆออกไปก็คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้กระทำอุปการะแกเราก่อนใครเพื่อนนับตั้งแต่เป็นผู้ให้กาเนิดและเลี้ยงดูเรามาจนเติบใหญ่ให้ความคุ้มครองแกเราก่อนแม้ลูกจะประพฤติผิดก็ให้อภัยไม่รังเกียจคอยแต่จะสนับสนุนเกื้อกูลในทุกโอกาส ที่สามารถจะกระทําได้เมื่อลูกได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจมีความทุกกายทุกใจพ่อแม่ก็คลอยพลอยเป็นทุกเดือดร้อนไปด้วยคอยเป็นทนายว่าต่างเป็นนายประกันให้ลูกเมื่อลูกถูกกล่าวร้ายพ่อแม่จึงชื่อว่าเป็นบุรพาเทพของลูกให้ความเมตตารักใคร่ลูกมีแต่ปรารถนาที่จะให้ลูกอยู่ดีมีสุข คอยส่งเสริมลูกอยู่ทุกวิถีทางมีแต่ความกรุณาสงสารเวทนาลูกเมื่อลูกมีทุกข์ก็อยากจะรับทุกข์นั้นไว้เสยเองมีมุทิตาเมื่อลูกจเจริญรุ่งเรืองอยู่ดีมีสุขก็มีแต่ความปลอยยินดีไม่คิดอิจฉาริษยาและแม้ความเบียดเบียนลูกความสุขของลูกใดๆก็ไม่คิดที่จะเบียดเบียนมีอุเบกขา เมื่อลูกพลาดพลั้งในชีวิตก็ไม่ซ้าเติมมีแต่คอยปลอบประโลมให้ลูกคลายทุกข์พ่อแม่จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพรหมของลูกคอยสั่งสอนลูกทุกฝีก้าวนับตั้งแต่สอนให้รู้จักพูดให้รู้จักคิดให้รู้จักทำแต่กรรมที่ดีให้ประกอบแต่อาชีพที่ดีที่เป็นคุณประโยชน์แก่ตนเท่าที่สติปัญญา และศิลปะวิทยาที่ท่านมีให้แก่ลูกได้พ่อแม่จึงชื่อว่าเป็นบูรพาจารย์ของลูกน้ำใจของพ่อแม่กนระเสริญนักมีแต่ปรารถนาดีแก่ลูกไม่หวังร้ายแก่ลูกแม้แต่น้อยเป็นทั้งพระเดชเป็นทั้งพระคุณของลูกจึงเป็นเนื้อนาบุญของลูก ประดุดดังพระอาหารหันต์ของลูกทีเดียวและจึงเป็นผู้ควรแก่การรับของให้จากลูกและควรแก่การเคารพสักการะบูชาของลูกจึงชื่อว่าเป็นพระอาหุนยบุคคลของลูกพ่อแม่เป็นผู้มีอุปการะคุณมากแก่ลูกดังนี้ลูกผู้มีความกตัญยูกระตะเวทีจึงพึงรำลึกถึง พระคุณและก็ตอบแทนพระคุณของท่านตามกำลังสติปัญญากำลังทรัพย์อันชื่อว่าได้สนองคุณพ่อแม่ด้วยอามิจทานนิประการหนึ่งกับชักนำท่านทีนท่ยังไม่มีศรัทธาในบุญกุศลคุณความดีอันมีทานกุศลศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้น ให้กลับเป็นผู้มีศรัทธาในบุญกุศลคุณความดีดังกล่าวอันชื่อว่าสนองคุณพ่อแม่ด้วยธรรมทานนี้ยิ่งประเสริฐไปกว่าและถ้ายิ่งตนเองก็เป็นผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมเองด้วยแล้วชักนำพ่อแม่ให้มีศรัทธาในการประพฤติปฏิบัติธรรมอันมีทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลด้วย กับทั้งอย่างสนองคุณท่านด้วยอามิตรอันจำเป็นหรือปัจจัยอันจำเป็นและเหมาะแก่การบริโภคใช้สอยด้วยก็นับว่าเป็นมงคลอันประเสริฐสูงที่สุดแก่ตนนอกจากคุณพ่อคุณแม่ยังมีผู้ที่ให้อุปการะคุณแก่เราอื่นอื่นอีกเช่นคุณครูอุปชาอาจารย์ตลอดถึง พระมหากษัตริย์และสมเด็จพระบรมราชินีนาถผู้ทรงทศพิษ ร, ราชธรรมและทรงปกครองประเทศชาติโดยธรรมและคุณพระศรีรัตนตไตรเป็นต้นเฉพาะในข้อคุณครูอุปชาอาจารย์นั้นมีพระคุณแก่เราอย่างสูงในข้อที่ถ่ายทอดศิลปะวิทยาความรู้ ตลอดทั้งธรรมะเป็นคุณธรรมอันประเสริฐแก่ศิษยานุสิตโดยไม่ปิดบังมีแต่เจตนาแก่สิทธิ์ที่ดีและคอยปกป้องสิทธิในทิศทั้งหลายคอยอุปการะดูแลสิทธิเท่าที่สามารถจะทำได้เมื่อสิทธิพบปัญหามีปัญหาในการดำเนินชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรม คุณครูอุปชาอาจารย์ก็จะคอยชี้แนะด้วยดีไม่มีความอิจฉารสิยาในศิทธยานุสิตเมื่อรู้ว่าสิทธิ์คนใดประพฤติปฏิบัติ ด, ดีปฏิบัติชอบกระทำการงานที่ดีประกอบอาชีพที่ดีจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งยิ่งขึ้นไปก็มีแต่ความพลอยยินดีครูก็ยังเป็นครูอาจารย์ก็ยังคงเป็นอาจารย์ พระอุปัชาก็ยังคงเป็นพระอุปัชาอยู่อย่างนั้นนีไ่ได้ไปคิดอิจฉาริษยาหรือได้มาเสวยสุขด้วยก็หาไม่ความปรารถนาที่ดีของคุณครูอุปัชาอาจารย์ด้วยใจที่สะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ศิจยานุสิทธ์ก็พึงที่จะลํำลึกถึงพระคุณท่านและก็ตอบแทนท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณครูอุปชาอาจารย์ที่ชี้แนะทั้งศิลปะวิทยาการทางโลกให้เป็นเครื่องประกอบอาชีพที่ดีและชี้แนะแนวทางประพฤติปฏิบัติธรรมอันนำตนไปสู่ชีวิตที่ดีประพฤติปฏิบัติที่ดีด้วยกายวาจาใจทั้งละชั่วทำดีทำใจให้ใส่ดำเนินชีวิตไปในแนวทางแห่งมรรคผลนิพพานในที่สุดดังนั้น เป็นคุณครูบาอาจารย์ที่ประเสริฐสูงยิ่งและสูงขึ้นไปเป็นพระรัตนตรยัยคือพระพุทธรธรรมพระสงฆ์ซึ่งพระธรรมคาสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าซึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงตรัสไว้ดีแล้วและพระสงฆ์สาวกของท่านก็ได้ศึกษาเล่าเรียนอบรมประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแล้ว ได้นำธรรมะที่ดีที่บริสุทธิ์จากสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมาสั่งสอนเวเนยสัพ ป, ปสัตทั้งหลายให้ประพฤติปฏิบัติธรรมปฏิบัติตามเพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขสำหรับชีวิตตนดังนี้ <S <S ก็ยิ่งประเสริฐไปกว่าผู้ที่รู้จักคุณค่าของพระสัตธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว อันพระสงฆ์กะเจ้าได้ประพฤติธปฏิบัติได้รับผลดีแล้วนำมาสั่งสอนถ่ายทอดให้เราได้ประพฤติปฏิบัติตามตามรอยบาทพระพุทธองค์เพื่อความพ้นทุกข์และเพื่อความสุขดังนี้พึงลำลึกถึงคุณพระศรีรัตนไตรอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังกล่าวนั้นและพึงกตัญญูกระตะเวทีตอบแทนพระคุณท่าน จำเพาะพระพุทธเจ้าได้เสด็จดับขันเข้าสู่ปรินิพานไปนานแล้วก็ยังมีแต่พระสัตธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและมีพระอริยสงฆ์หรือสมุติสงฆ์ซึ่งประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมนั้นก็พึงเกือ้อกูลท่านด้วยดีเพื่อที่ท่านจะได้ดำรงชีวิตอยู่ด้วยความผาสุขสบายตามควรแก่อัตภาพก็จะเป็นคุณอันยิ่งใหญ่ทีนี้มากล่าวถึง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงทศพิษราชธรรมทรงปกครองประเทศชาติโดยธรรมและมีอุปการะคุณแก่เราสูงยิ่งยิ่งขึ้นไปนั้นอันเราพึงรำลึกถึงในพระคุณและตอบแทนพระคุณพระองค์ท่านอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ท่านทั้งหลายพึงตั้งใจรับฟังธรรมะ และนำธรรมนี้ไปประพฤติธปฏิบัติก็ได้ชื่อว่าปฏิบัติบูชาพระรัตนตรัยและตั้งใจที่จะกตัญยูกะตะเวทีแด่พระบาทสมเด็จพปะเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถท่านผู้ทรงบำเพ็ญพระองค์เสมือนหนึ่งพระแม่ของปวงชนชาวไทยทรงอานาทรห่วงใยในพระศกนิกกรอยู่เสมอ ได้ทรงเสียสะละความสุขส่วนพระองค์สเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรเพื่อทรงทราบสารทุกขสุขดิบแล้วทรงหาทางช่วยเหลือเพื่อปลดเปลื้องความทุกข์ยากของประชาชนทั้งหลายโดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยพระวรากายลำบากพระวรากายเพียงใดก็สเสด็จหวังแต่จะให้พระสนิกรของพระองค์เป็นสุขปราศ จ, จากความทุกขโดยทั่วหน้า มีการส่งเสริมศิลปาชีพเป็นต้นอาตมาภาพจึงใคร่ขอเชิญชวนสาธุชนทุกท่านได้ตั้งกุศลจิตรำลึกนึกถึงคุณประสิร์รัตนาไตรและพระคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถผู้ทรงเป็นพระแม่ของปวงชนชาวไทยทั้งประเทศแล้วตั้งใจสนองพระคุณท่านด้วยการตั้งใจประพฤติปฏิบัติธรรมอันเป็นกุศลคุณความดีทั้งปวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านตั้งจิตอธิษฐานขออำนาจคุณพระศีรัตนไตรยัยขอจงได้ปโปรดดลบันดาลพระองค์ท่านตลอดทางพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จงทรงพร ะ, กะเกษมสําราญทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานและขอจงทรงปราศจากความทุกข์ความโศกและโรคภัยทั้งปวง ยังความร่มเย็นเป็นสุขแก่พระศกนิกรชาวไทยและชาวต่างประเทศผู้เข้ามาพึ่งพระบรมโพธิสมภารในพระองค์ด้วยทุกท่านตลอดสิ้นกาลนานที่ได้ชี้แจงแสดงมาตามวาระพระบาลีในมงคลสูตรว่ากตัญญูกะัตะเวทิตาและกาเลนะธรรมะสวัณง เอตัมมังคารมุตตมังนั้นสมควรแก่เวลาเทศนาปริโยสาเนอวะสารการเป็นที่จบลงแห่งพระธรรมเทศนานี้เอเตนะสัจวัชเชนะด้วยอำนาจแห่งคำสัตย์โดยอ้างธรรมปฏิบัติที่อัตมภาพได้ชี้แจงแสดงมาในมงคลสูตรนี้สะทาโสถีพระวันตุเต ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านทั้งหลายบรรดาที่มาประชุมสมโมสรรับฟังอยู่นี้โดยทั่วหน้ากันเทินเอวังก็มีด้วยประการชานีนัตถิชานังอปัญญัสสานัตถิปัญญาอชชายโต ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่มีฌานวัดลุงพ่อสดธรรมกายรามในสถาบันพุทธภาวนาวิชาธรรมกาย อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรีก ร, ร, ราบราชนาพระภิกษุสามเณรและขอเชิญสาธุชนผู้สนใจไฝ่ปฏิบัติธรรมเข้าร่วมอบรมศีล ส, สมาธิและปัญญาในโครงการอบรมพระกรรมฐานใหญ่ประจำปีประหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมของทุกปี ท่านที่เข้าร่วมโครงการยังสามารถเข้าร่วมอบรมเจริญกิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมีพลอดุลยเดชมหาราชพระผู้เป็นพ่อของปวงชนชาวไทยทั่วลาในวันที่าธันวาของทุกปี สวนราชการจังหวัดราชบุรีและพ่อค้าประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกับวัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามจะจัดให้มีการดูทุดงขวัดปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติบำเพ็ญศีลสมาธิและปัญญาจึงขอกราบราธนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วสังคมณฑลและพระสงนิกรชาวไทยทั่วล่าแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี กะตัญยูกตะเวทิตาธรรมแด่พระผู้เป็นพ่อของชาติไทยสนใจติดต่อเข้าร่วมโครงการและสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254650และ253 352สองกดต่อ220ได้เป็นประจำทุกวัน สาธุชนก็ได้รับฟังสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยมังคโลและสปอร์ตประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพระกรรมฐานประจำปีในรุ่นปลายปีระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมศกนี้ทางคณะสงฆ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามก็ขอเจริญพร ญ, ญาติโยมสาธุชนและกราบราธนาพระภิกษุสงฆ์สามเณรทั่วสังฆมณฑลเข้าร่วมอบรมพระกรรมฐานในรุ่นปลายปี ระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่14เดือนธันวาคมก็ให้เดินทางไปถึงวัดก่อนระยะการเข้ารับการอบรมและกิจกรรมทั้งหมดไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่ประการใดสำหรับปีนี้ก็จัดเป็นพิเศษในช่วงวันที่4วันที่หและวันที่6ทธันวานั้นจะจัดโครงการอบรมจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยซึ่งสาธุชนก็จะได้น้อมจิตถวายเป็นพระราชบุตสนแด่พระองค์ท่านโดยพร้อมเพียงกันจึงขอเชิญท่านสาธุชนไปร่วมโครงการและอบรมศีลสมาธิและปัญญาโดยพร้อมเพียงกันสนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ประชาสัมพันธ์วัดหลวงพ่อสดธรรมกายรามหมายเลขโทรศัพท์032254 650และ253 352กดต่อ220ได้เป็นประจําทุกวันสําหรับวันนี้รายการธรรมสู่สันติขอลาท่านสาธุชนไปก่อนโปรดติดตามสารธรรมจากรายการได้ในครั้งต่อไปสําหรับวันนี้ขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านตลอดการละนานเทอจเจริญพร